วิชาที่เราเรียนกันตอนนี้คือวิชาที่เป็นเรื่องการประยุกต์ทางพัฒนาศึกษากับนวัตกรรมการใช้การเารียารเป็นเคเรื่องมือในการพัฒนาเลยครับแล้วพอดีว่าทางผมเองก็เคยเค้อ่านอ่านงานของของ อ, อาจารย์ตัต้งตุดยีปีคนะครับแล้วก็ตามงานมาตลอดอ <laughs> ก็บอกว่า ถ้าเราาราจะไปดูมีพระอาจารย์ที่พระอาจารยไปสายจะอที่จะให้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ในการที่นำการศึกษากับการเรียนรู้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนะครับให้กับพวกเราได้ทางทางทางนิสิตได้เรไปขึ้นจะ โ ด, โดนผมหลอกขึ้นมาครับ uh huh. แล้วอาจารย์ลินอาจารย์ลินก็ท่านอาจารย์ะเจ้วรวินทร์ก็เลย ต, ติดล่างแห่มาด้วยนะ uh huh. ครับแล้วอยากจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับได้กลณาให้ให้ใหข้อคิดให้อะไรกับพวกเราท่านนิทรรศครับที่เกี่ยวข้องกับว่าหรือประสบการณ์อะไรครับที่เกี่ยวกับว่าเราใช้พระอาจารย์ได้ใช้พระศาสนากับการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม อธิบายยัง ไ, รรรงไรครับอืออธิบายิี่ชอบใจนี้ว่าใช้คําว่าการเรียนรู้เพราะเวลาพูดถึงการสารเนี่ยคนก็มักจะหมายถึงการสอนใช่ไหมการสารทุกวันเนี่ยมันเป็นในเรื่องการสอนมากก็คือไปให้ความสําคัญกับครูหรืออาจารย์เป็นผู้สอนอันนี้การเรียนรู้เนี่ยมันทําให้น้ําหนักเนี่ยมาอยู่ที่ ผู้เรียนนะจะเป็นจะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาหรือเป็นชาวบ้านก็แล้วแต่ในการนเนี่ย <ไป S 1> ถ้ า, าถ้ากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะของปลาของปลาหรือว่าเน้นเรื่องการเรียนรู้มากการสอนเนี่ยจะมาว่ามันจะทําให้เกิดความสําเร็จได้มากกว่าครับไปแล้วตัวนึงวันนี้การเรียนรู้เนี่ยนะมันก็มี อยู่สองปริมณฑลหรือว่า2 2 ส, ส, ส่วนนะการเรียนรู้อย่างแรกก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแาดร้อมนะสุดท้ายแต่ว่าเราพูดถึงใครนะจะเป็นเด็กก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาตินะ ซึ่งการเรียนรู้ในส่วนนี้ก็มีหลายแง่ใช่รเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะด้านเศรษฐกิจนะด้านการาเมืองหรือว่าการกระบวนการตัดสินใจอันนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการรู้เกี่ยวกับตัวเองนะเป็นการรู้ซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนะ อันแรกเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ที่เราเรียกง่าเป็นการเรียนรู้ทางโลกอันที่2ก็เป็นอยู่ในขัข้ของการการเรียนรู้ทางธรรมซึ่งอาจมายชื่อว่าสําคัญทั้งสองอย่างแม้กระทั่งในโรงเรียนเนี่ยหรือในหมาหาทยาลัยเนี่ยจะเรียนรู้แต่เรื่องทางโลกมันไม่พอจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาภูมิศ า, าสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่พอมันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ตัวเองเกี่ยวเรื่องชีวิตด้วยและววิชาชีวิตก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าถูลดความสำคัญไปเยอะนะรรเราไปในเรื่องกายเรารู้ทางโลกเยอะแล้วก็การวัดผลแล้วก็ไปดเป็นในเรื่องการวัดผลด้วยความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาทางโลกนะแล้วก็ยิ่งอันนั้นคือมันไปมันก็เป็นในเรื่องความสามารถเฉพาะในเรื่องนั้นเช่นการท่องจา คือวิช า, าโลกเนี่ยรู้อย่างเดียวมันก็แครแล้วนะปต่เป็นในเรื่องการท่องจํามากกว่าการที่เป็นในเรื่องการรู้จักคิดด้ว ย, ยอันนี้ก็ยิ่งแคพรพอไปใหญ่และยิงเรื่องการรู้จักวิชาชีวิตเนี่ยเรามองข้ามไปเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่เรารู้ว่าเก่งดีมีสุขเนี่ยมันหายไปเพราะอาจจะเก่งนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสุข เพรอไม่เจริญด้วยมันมีการมันมีการวิจัยของของทางทางฮ a r เเลยนะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยที่ได้เกรดดีๆเนี่ยในหมายเท่าไเนี่ยรากว่าขเชืมาเนกว่าเพื่อติดตามคนเหล่านี้ไปเนี่ยจนเขาทำงานทำกายเลยเนี่ย เพรว่าปรากฏว่าไอ้คนที่เรียนวิชาคนได้เกรดดีๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าความความสมําเร็จในทางในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าคนที่ได้เกรดต่ำกว่ากาเดียว ก, กันกับคนที่เขาไปศึกษาเด็กที่เด็กขี้ต่ำในชุมชนที่มันยากจนเนี่ย แล้วก็ตามไปว่าในคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อโตอขึ้นแล้วเนี่ยเขาชื่อก็เป็นอย่างไรก็เพราะว่าประสบการณ์ <c oughs> ในเวัยเด็กเนี่ยโดยเฉพาะในในเรื่องของอการที่ได้เรียนรู้ในเรื่องทางบวกเล่นเช่นเรื่องความช่วยเหลือเออเพื่ อ, อ, อ, อการความมีน้ำใจนะความร่วมมือกันเนี่ยเด็กที่มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยเ <c oughs> ขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่านะซึ่งมันก็ ก็ก็เกี่ยวข้องประเด็นที่เราเรียกง่ายๆว่า IQ คิอ่ะนะแม้แต่มาคิดว่าในเรื่องของการการการศึกษาเนี่ยนะเรื่องการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะดีก็ต้องครอบคุมทั้งสองด้านเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องทางโลกในเรื่องชุมชนรอบตัวแล้วความเข้าใจในเรื่องของของตัวเอง ซึ่งภาษาฝรั่งก็เรียกว่า EQ ก็คือว่าหนึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รู้ว่ามันเกิดมาอย่างไรรู้ว่ามันจะไปไหนมันเกิดมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างแล้รู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรรวมทั้งรู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้อย่างไรงเช่นเวลาเขาเวลาเขาโกรธเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับเขาไวไวใส่เขาดีหรือว่า เราจะพูดเขาดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ eq อทีนี้ที่ที่อัตมาทําอัตมาก็ทั้งสองส่วนนะพยายามทั้งสองส่วนนะ ท, ทั้งที่นี่แล้วก็ที่ที่อื่นด้วยอย่างที่นี่เนี่ยนยกะก็หัวข้อคือทํำงานชุมชนใช่ไหมการเรื่องชุมชนเนี่ยชุมชนที่นี่ก็หมายถึงชาวบ้านใ ช, ใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วนะ ก็ให้ความรู้ในเรื่องของชีวิตเรื่องทางธรรมให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันก็มีความไม่น่าไม่นอนมีขึ้นมีลงให้เห็นว่าความความเป็นอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาชีวิตนะใครแล้วก็ให้รู้ว่ารู้จักความสุขที่แท้ความสุขไม่ได้เกิดจากวัตถุความสุขไม่ได้เกิดจากการมีเงินมีความสําเร็จในทางโลกแต่ความสุขมันเกิดจากจิตใจอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การวางใจเป็นอันนี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ พูดบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ใช้การเทศนาการบรรยายธรรมเช่นวันพระหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆรวมทั้งเวลามีมีประชุมกับชาวบ้านก็จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าถึงเทศมารอีกส่วนนึงก็คือการการทำการกระตุ้นชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นงานที่ทำ อย่างต่อเนื่องอซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยการกระตุ้นการเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยลำพังเราจะพูดอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไชก็ต้องอพยายามทํากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนระู้นะเช่นบางทีก็อาศัยเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็คือการที่เอาชาว บ, บ้านมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันอาจจมาพบ ว, ว่า การเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนการรู้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมเนี่ยมันได้ผลมากได้ผลมากกว่าการที่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้ใช้ได้ทั้งกับนักเรียนใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่นะให้เขาฟังอย่างเดียวเนี่ยมันเขาก็อาจจะฟังหูซ้ายถ้าหูขวาแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เ <c oughs> ช่นได้ลองทําได้เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน เช่นแบ่งกลุ่มจ้อยคุยกันมีการโต้มีการอภิปรายโต้เถียงกันหรือว่าโต้ตอบ ก, กันอาจจมาพบว่ามันช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากหนังเย่นเนี่ย เ, เรื่องการชวนชาวบ้านมาช่วยกันรัก่าเนี่ยนะ ก, ก็ก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะนอกจากทำเวิร์กช็อปเราก็มีการการการประชุมชาวบ้าน เราให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันรวมทั้งการพาไปดูงานตามที่ต่างๆนะแล้วก็การให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมเช่นว่าเวลาเรามีกรรมการอนุรักษ์ป่ากรรมการนี้ส่วนส่วนหน้าที่ก็คือช่วยอนุรักษ์ป่าแต่ส่วนนึงมันก็เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเขาใช่ไหมเพราะการทำงานเนี่ยคือการเรียนรู้การทำงานเนี่ยมันไม่ได้มีจุดหมายอยู่ที่ข้างหน้า สิ่งที่เราทําให้มันสําเร็จแต่มันเอที่ใจของเราด้วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งเป็นปัจจุบันนี่ยั่นการทํางานพยายามกระตุ้นให้เขาเมีส่วนร่วมให้เขาร่วมคิดอ่าประเภทว่าให้พระมาชี้ <c oughs> บอกว่าทำวิธีนี้ก็เราก็พยายามเลี่ยงใ ช, ใช่ไหม <c oughs> ให้เขาคุยกันเองให้เขาแรกเปลี่ยนกันเองใช่ไหมพระเราก็ทำหน้าที่เป็น <c oughs> คพ้ายๆกัเป็น facilitator <c oughs> นะหรือมไม่ก็อ่า <c oughs> ตั้งเป็นให้เขาคิด ตั้งประเด็ให้เขาคุยนะหรือเป็นพี่เลี้ยงเขานะ <Okay. S 1> ซึ่งก็มันก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราพยายามทําเพื่อถือว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้ซึ่งให้มันพยายามให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านด้านชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวเรื่องชีวิตของตัวเองครับ okay. พยายาพูดกับเขาอยู่เสมอนะว่าธรรมชาติเนี่ยนะมันไม่ได้ให้คุณค่าเฉพาะอากาศไม่ใช่ให้คุณค่าเฉพาะน้ําหรือว่าปัจจัยสี่นั้นนะธรธรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันมันยังสอนทําให้กับเราได้นะ <c oughs> เวลาเราเวลาอยู่เท่ากับธรรมชาติเนี่ยนอกจากเราได้ความสงบสงัดแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้ธรรมะจธรรมชา ต, ติต้องหลายอย่าง <c oughs> ก็พยายามบอกเขาเนี่ยอย่างเช่น <c oughs> ต้นไม้เนี่ยมัน มันมันมันไม่เคยเป็นผู้รับอย่างเดียวมันรับก็ให้ด้วยต้นไม้เนี่ยเขาดูดน้าดูดอากาศดูดปุ๋ยจากดินเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งทิ้งใบลงไปให้ดินเพื่อเป็นปุ๋ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาขายน้ํา <c oughs> เขาขายให้ออกซิเจน <c oughs> ใช่ไหมต้นไม้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ทำให้ธรรมชาติสมดุล <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต้นไม้เนี่ยเราทิ้งปุ๋ยทิ้งขยะลงไป ทิ้งซากพืชซากสัตว์ไปเ้าก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นปุ๋ยใช่เป็นต้นไม้เอาเป็นดอกไม้เป็นเป็นเป็นอาหารสิ่งมันเหม็นเนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นดอกไม้ใช่แดดร้อนๆเนี่ยนะเป็นร่มเงาเขาเปลี่ยนแดดเป็นร่มเงาก็บอกชาวบ้านเมื่อเนี่ยในสงการเนี่ยว่าว่าอากาศร้อนนี่นะให้เราดูต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันมันตากแดดทั้งวัน่ะจะมันเขียวอ่ะใช่ ตัวไม้เ่มันเขียวตลอดเลยในองที่มันตากแดด น, นะเพราะอะไระเพราะอะไรนไมนเขียวเดี๋ยวท่านสุริกกนเรียกหมาไปหน่อยมันรบกวนเรียไปหน่อยเลียงหมาหาใเป็นอะไราาเลี้ยงหน่อย ก, กบับลบดดี่ดดหลังกลับเงหนังกลับเลี้เนื้อเปืปอยอปอไปด้วยักบ<ๆ>ไปนังกับไปูกไปทางน้ก่อนไปทางนี้กลับเลี้ยงเนื้อเปือยไปหน่อย มันชอบชอบมาเยี่ยมแขกนี่แขกมาชอบต้นไม้เนี่ยนะทั้งที่เจออากาศร้อนฝนก็ไม่ตกทาไมเขเขียวได้นะใจเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยแปล่เราจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ไม่เป็นประสงค์เจออากาศร้อนเจอเจอ เจอความสูญเสียเจอความทุกข์รานเจอคํามตมิตรตีดเดียนหรือแม้แต่ว่ า, าไม่ร่ํารวยเนี่ยเราจะเราจะสุขได้ไหมต้นไม้นี่มันเขียวได้เพราะว่ามันอาศัยน้ําจากใต้ดินมันไม่ร อ, ม, ม, รอมันไม่รอน้ำจากฟ้านะฝนไม่ตกต้นไม้ยังเขียวได้เพราะอาศัยน้ําจากใต้ดินใจคนเราเหมือนกันนะถึงแม้ไม่มีราบยศสุขสารเสริญแต่ว่าเราสามารถจะเขียวสดชื่นได้ถ้าเกิด ว, ว่าเรามีความสุขจากภายใน อะไรเงี้ยก็สอนเนี่ก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะไอ้ที่เข า, าช่วยกนันรุ่นลั่งเนี่ยนะมันให้ประโยชน์มากมายนะให้เขาเรียนรู้ของเ้าเองนะจากธรรมชาติเพื่อได้เกิดความรักเกิดชันทะอ่าอันนี้ก็คืองานที่ที่ที่เตรียมทำเพื่อเพื่อเพื่อการอนุรักษ์ฝ่าเองเพื่อเพื่อการสื้นฟูทําให้เกิดขึ้นกับชาวบ้าน จากทีนี้ต่อมาก็จริงๆก็ทําเรื่องการเรียนรู้เนี่ยกับคนกลุ่มอื่นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ระยะหลังเนี่ยก็เป็นในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ า, อาศัยอาศัยการปฏิบัติทำสมาธิภาวนาบ้างแล้วอาศัยการทําเวกฌาปน์ที่ตอนที่ทำํำอันนี้คือการโครงการประชชมความตายสงบนะให้คนรู้จักเตรียมตัวตายสงบ ก็ใช้วิธีเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะแทนที่จะบรรยายแทนที่จะเลคเชอร์เราก็ให้เขาแบ่งกลุ่มย่อยคุยกันเรื่องความตายในสังคมสมัยใหม่นะหรือว่าลองทำโรเปรเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใกล้ตายนะซ้อมตายนะรวงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ แต่ว่าเรีนเยนรู้ผ่านผ่านกิจกรรมไม่ใช่ผ่านการบรรยายอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่ที่ที่ทำมาว่า ท, ทำมาสิกว่าปีแล้วนะในเรื่องเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยก็ก็คนก็ก็เก็ตนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันหลายคนพวกะเขามีเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายคนเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยเขาก็เขาก็ดูแลพ่อแม่ดีขึ้น ใครที่มีเรื่องทะเลาะพ่อแม่เขาก็ไปขอโทษขอโพยขอเข้ามาพอเขาสุไว้ถ้าถ้าเขาไม่ทําพุกนี้เนี่ยมันมีอะไรติดค้างใจเกิดตายตอนนั้นขึ้นมาก็าจะตายไม่สงบหรอคือมันเป็นการมันก็เป็นเป็นการทําให้คนเห็นคุณค่าของธรรมะของเห็นคุณค่าของการทำความมีการปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่ต้องไปเท่ไปเท่เรื่องนี้แต่ว่าเขาจะเรียนรู้ขึ้นมาเองจากการที่เขาได้ตระหนักว่าสักคนหนึ่งคนเราต้องตายที่เห็นว่า ตรงๆเขาว่าคิวแบนไรเซชันตรงนี้ที่ที่ไปมาตายก่อนตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญบาปแต่เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราหรือจากภายในบุญบาปเกี่ยวนะเพราะว่าคนเราถ้าทําะไรทำความชั่วเนี่ยไม่ทําความดีเวลาใกล้ตายมันก็มีเรื่องผิดติดทั้งใจเออมันก็มีความรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจในในพบหน้าคนเราถ้าทาความดีเนี่ยนะจะตายเนี่ยมันก็มีความกลัวน้อยลง เพราะมีความแน่ใจว่าพบน่าจะไปดีแลเรื่องบุญบาปก็สําคัญแต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่พูดเป็นธรรมะจ๋าใ ช, ใช่ไหมไอ้ก็ เ, เห็นนีว่าไอ้การทําความดีเนี่ยนะในสุดแล้วเนี่ยมันทำให้เราไปสงบได้<ๆ>เขาก็<ๆ>ก็ไปทําความดีของเองโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าต้องทําความดีทําความดีแต่เมื่อเขารู้เขาอยากจะตายสงบเขาต้องไปไปทําเรื่องนี้ขึ้นมาไงคือไอ้เขาได้ได้ได้เห็นเขาเองมากกว่าที่เราจะไปยัดเยียดให้ แสดงว่าคือ ส, สิ่งหนึ่งที่แทนที่ที่พระอาจารย์ได้ทำก็คือว่าการการการแปลธรรมะยากๆที่เป็นธรรมะที่ที่ที่ผู้ผู้ผู้ฟังเนีได้เสพ ไ, ได้ไงไ่ายขึเป็นงไงด้วยใช่แล้วก็ทําให้เขาได้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ว่าประสบการณ์เขาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันสามารถจะสอนธรรมะให้กับเขาได้เขาสามารถที่จะเห็นธรรมะจากประสบการณ์จริงๆ ครั้งของเขาเองในอดีก <zn Spark ling> ็ตามในปัจจุบันก็ตามและประสบการณ์ที่ได <say exactly S 1> hmm. ้ฟ <world> ังได้จากคนอื่นคือธรรมะเนี่ยมันจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ทุกคนอรูปแห่งธรรมะเนี่ยมันสามารถเราจะถอดบทเรียนได้จากชีวิตของเราประสบการณ์ของเราในใบในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยวัตถุดิบอันหลากหลายมากมายที่เราสามารถจะถอดบทเรียน มาเป็นข้อคิดตือนใจในทางทําได้ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เค่อยได้คิดเขาไม่ค่อยได้หวนกลับไปมองอาจเปเพราะว่ามองไปทีไรเจ็บปวดทุกทีใช่ไหมมองไปทีไรเศร้าโศกทุกทีปวดแค้นทุกทีก็ไม่อยากมองแต่ถ้ามองให้เป็นเนี่ยโอมเป็นบทเรียนที่สอนทําให้กับเขาได้มากเลยใช่ไเราก็พยายามพยายามพูดพยายามโน้มนาให้เขาลองทาดูนะ เขาเปิดเครื่องมือตลอรัแท่ยังคนที่มาศึกษาทำได้ทีิบัตน่จะาไม่ชัใช่เช่นบางทีตำรวก็ให้เขาทบทวนดูว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสุขและทุกข์อย่างไรบ้างให้คะแนนความสุขของเขาความสุขและความทุกข์ตแต่ละปีปี 4-7 เนี่ยสุขเท่าไร่ให้คะแนนความสุขสุขกี่คะแนนถ้าทุกข์ทุกกี่คะแนนยกตัวอย่างเนี่ยนะ แล้วก็ถามเขาว่าทุกข์พ่ออะไรสุขพ่ออะไรแล้วก็ให้มาคุยกันว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์พ่ออะไรใช่ไหมแล้วเราก็ไปโยนเขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มีที่ว่าใจเรารู้สึกกับมันอย่างไรใช่ไหมหมายความว่าสิ่งแย่ๆเนี่ยถ้าเรามองเป็นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรามองบวกเราก็เห็นประโยชน์ของมัน ังาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกส่วนที่ทำนะกับกับกับคนที่มาวัดที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกับครูที่มาที่มาเรียนรู้จทีนี้พอพ่อจังครับคำว่ามองบวกคิดบวกในปัจจุบันเนี้ครับผมใ น, ในในแต่ทศนิ้งผมเนี่ยผมกําลังมองว่าตอนเนี้ในสังคมเนี่ยกำลังกำลังกำลังก ำ, ำลังสับสนกันหรือเปล่าครับคําว่า การมองบวกคือการมองในสิ่งที่ดีๆปลอบประโลมใจกับการมองบวกในลักษณะที่ว่าเป็นการมองให้เห็นประโยชน์จากสิ่งนั้นๆแล้วนําประโยชน์จากสิ่งนั้นๆมาก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในของของบุคคลตอนนี้สังคมกําลังกำลังกําจัดตัวในยุคหลังคือก็มองมองเห็นสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ครับกก็ายันแล้วนํามาปลอบประโลมใจกับวิกการหนึ่งคือนํามาเรียนรู้ภายใน มาปรับมาปรับอรมใจอัตมาว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายยกตัวอย่างเช่นจิตอาสาไปเยี่ยมเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเด็กวัยสิบสี่แกเป็นมะเร็งสมองผมจะร่วงเพราะแกใช้แสงแต่แกน่าจะจิ้มแย้มคุยไปคุยมาจะบอกหนูโชคดีหนูโชคดี ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมัตลูกมียญ้าพึงเป็นมะเร็งวัตลูกปวดมากเลยดูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอย่างนี้อย่างนี้เรามองบวกไหมมองบวกจะอย่างนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อแต่ว่าไ ม, ไม่ไม่ใช่การปรับท่านนาท่านหาของผมไม่ใช่การปรับอารมใจแต่แปลวเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วก่อให้เกิดการเรียนรู้ และนําผลการเรียนรู้จากการเปิดเทียบมาเป็นข้อตกลงใจอ่าเนี่ย อ, อันนี้ก็เป็นการมองบวกแบบนี้ี่ยคือคมองแล้วมองแล้วเนี่ยแทนที่จะทุกข์โอ้ยตรงข้ามคนที่เป็นคนเป็นเป็นสิวอะ่ะโอ้ยทุกข์มากเลยนะ <c oughs> แต่คนนึงเป็นมะเร็งสมองเนี่ยไม่ทุกข์อ่ะเพราะเขามองว่าฉันโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองไม่ใช่มะเร็ง อ, อัตมาคิดว่าเนี่ยนี่เป็นการมองบวกซึ่งก็มีผลทําให้เขาเนี่ยไม่ทุรนทุรายครับนะไอ้ที่มอบวกอัตมาเนี่ยนะ คน่วนใหญ่นี่มองบวกแปลว่ามองว่าอนาคตเนี่ยจะสดใสเช่นเป็นมะเร็งแล้วมองว่าเดี๋ยวยังไงก็หายหรือเศรษฐกิจตอนนี้แย่เนี่ยก็มองว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่มองบวกนั่นไม่ใช่มองบวกของตมามองบวกตมาคือว่ามองในปัจจุบันและมองเห็นความจริงเป็นการมองความจริงในแง่ที่เป็นบวกเช่นหนึ่งมีประโยชน์ใช่ไห เ ก, กัเข้าดา่าเราก็ดีมีประโยชน์ทาให้เราได้ได้ฝึก <c oughs> ไ, ดได้เห็นข้อบอกพร่อง <c oughs> หรือทําให้เราได้ฝึกใจอันนี้เรามองบวก <c oughs> หรืออย่างที่คุณเล็กกุเลียพันธ์จ้ขอเมืองโบ ร, ราณแกบอกเนี่ย <c oughs> ว่าวันนั้นไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิบบอมงคล <c oughs> ใช่ไหมวันนั้นไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนี่ก็มองบวก มองบอกความหมายนี่คือว่ามองว่าไอสิ่งที่มันที่มันปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะหรือขณะเดียวกันมองว่าในสิ่งที่ไม้ไม้มันมองว่าเราไม่มองแต่เห็นแต่ด้านเสียแต่เราเห็นแต่ด้านดีที่อยู่แวดล้อมสิ่งนั้นตัวอย่างที่อาตมาชักวิบัชันนะซิโก้เนี่ยซิกโก้รู้จักใช่ไหมเขา เป็นโคทีมชาติก่อนหน้านั้นเขาเป็นนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์นะยิงประตูได้มากสุด ข, ของของทีมชาติไทยตอหลังเขาไปเล่นบอลอาชีพไปเล่นเถวเนี่ยเถวามาเลเยเวียดนามแต่หลังก็เซ็นสัญญาไปเล่นที่ไปเล่นที่อังกฤษเมื่อ14ปีที่แล้วโอ้โหคนก็ดีคนใทยดีใจกันมากและนี่คือความฝันของซิกโก้ใช่ไหม บอกว่าแต่ตุลแรตัลออเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยเคขานั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสํารองเขาเสียใจมากเขากุ้งใจมากเขาเครียดมากและสุดกลับเมืองไทยแล้วเขาสูดว้ายการไปการไปการแปลงกินนี่ล้มเหลวแต่ไม่กี่ปีต่อมามีคนถามเขาว่าเหตุการณ์ครังนั้นก็บอกมันไม่มีอะไรเลย แต่ผมมองไม่ออกมองไม่เห็นแล้วแกก็บอกในปานเกียร์เาน่ามีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถได้ภาษาได้พัฒนาทักษะใช่ไหมได้ได้ไปเที่ยวได้เจอคนหลากหลายได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วได้ฝึกทักษะได้สัมผัสเรื่อที่มีศิลป์สูนย์ในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นคือมองบอกคือมองนี้คือมองลกมองเห็นว่าโอ้แต่ปานเกียเขานามีแต่สวยกับสวยไม่มีอะไรเลย มองบอกคือเห็นว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากการไปครั้งนั้นเป็นความจริงแต่เขามองไม่เห็นใช่ไหมครับมองบอกแม่มองบอกความหมายเนื้คือว่ามองเห็นสิ่งดีๆที่มันอยู่แวดล้อมสิ่งที่ไม่ดีเรื่อยงที่มีแต่คนหนึ่งจกเป็นจะเป็นทรัสซิเมียทรัสซิเมียเปโรคเลือดนะหมอบอกว่าจะอยู่ได้ถึง2ีส ตัวแกตัวแกนี่แค่แก่นตาโปนกระดูกเปล่าหัก ห, ก, หกล้มทีไรเนี่ยแขนหนักขาหักใส่เฝื่อมมาสิบกว่าครั้งแล้วแต่เป็นขนแก้ ม, ม, มันมีความสุขแกบอกว่าเนี่ยถึงแม้เลือดฉันจะแย่แต่ฉันมีตามองเห็นสิ่งสวยงามฉันมีจมูกลมกินหอมฉันมีหูฟังเสียงเพราะกินอะไรก็อร่อยไปไหนมาไหนก็ได้แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว มองลบคือเห็นแต่ว่าเลือดฉันไม่ดีเลือดฉันไม่ดีมองบวกคือเห็นว่าไอสิ่งดีๆที่มีอยู่ฉันฉันก็มองเห็นฉันก็รับรู้และฉันเลยนั่มันม่ใช่แล้วฉันก็ชื่นชมมันมองบวกทำให้เราเห็นว่ามองบวกทำให้เราเห็นว่าขอบคุณไอสิ่งที่แย่ ก, ก็มีแต่อีก99อย่างก็ยังดีใช่ไหมไม่ไม่เห็นแต่สิ่งที่ดีสองสอย่างแต่เห็นสิ่งที่ดีอีก98อย่างใช่ไหม อันนี้มันก็ไม่เชิงปลอบประโลมใจแต่มันทำให้เราเห็นความจริงรอบด้านมากขึ้นการมาบททําให้เราเห็นความจริงรอบด้านและทำให้เราเนี่ยไม่ตี อ, อกชกหัวไม่ตีโวยตีพายว่าฉันคอร้ายฉันสวยนะซึ่งมันทำให้มให้มีกำลังใจใช่ไหมมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะแต่ถ้าเราสร้างผ้าบันออนาคตปี5้ก้านี่60ศนย่จะสดใสมากนะครับนะ อันเนี้ยมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองได้หรือเป็นการปลอบประโลมใจซึ่งในแง่นึงก็ดีแตถ้าเท่าว่าดีกว่าเข้าไปฆ่าตัวตาย <c oughs> ใช่ไหมบา <c oughs> งคนเนี่ยโหยหมดหวังกับชีวิตแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บางคนบางทีคนเราก็ต้องอยู่ด้วยความหวังคใช่ไหมบางวันได้หลือว่า มาย้อนกลับตัวเองออายุเท่านี้เหมือนกับครั้งำาจากกสอนว่าทั้งหมดชีวิตนี่คือบทเรียนเอาไปย้อนกับแล้วสิ่งที่ดีก็มาพัานาสิ่งที่ดีต่อไปก็มาเราเรียกว่า พัฒนาตัวเองก้คุยเรื่องพัฒนาแต่รไม่ต้องมองที่ไหนหรือมองที่หมู่นว่าหนูพัฒนาเยังไงปีก่อน5ปีก่อน3ปีก่อน2ปีก่อนแล้วเมื่อเมื่อช้ชั่วโมงก่อนหนูเจออะไรมาบ้างหนูคิดยังไงหนูคิดลบหนูคิดลบเออแต่ว่า้เราจคิดจนก็มีนคนเรารู้จักอาจารประมวลหมประมวลเพ่งจันน่ะรู้จักใช่ไหมก่อนหน้าอาจารย์ประมวลเนี่ยบทพระ ยศยากจนแล้วก็ไปเรียนอินเดียจนได้ปริญญาเอกอาจารย์บุญมลบอกว่าตอนที่เรียนที่นั้นเนี่ยมีความทุกข์มากม้าสุดชีดมันทับแขนไม่มีความประทับใจอินเดียเลยร้องไห้หลายครั้งแล้วเมื่อมาเรียนจบเนี่ยออกจากอินเดียไม่เคยแวะไปไม่เคยกลับอินเดียเลยแต่หลังจากที่อจารย์บุญลได้ผ่านชีตมา หลายอย่างวมทั้งไปเดินเนี่ยมาจ ะ, ะมวลย้อนกลับไปถึงตอนยินเดียแต่วันเนี้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกอย่างที่ที่เป็นอินเดียนะถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยเราไม่มีวันนี้เห็นไหมอดีตเนี่ยซึ่งเราเคยเจ็บปวดกับมันเนี่ยไม่อย่างนึกถึงเนี่ยพอเราผ่านมาจุดนึงเนี่ยเรามองมาแล้วเนี่ยเรากัขอบคุณ เพราเราเห็นว่ามันได้ช่วยอะไรมันได้สร้างอะไรให้กับเรามากมายหลายคนเนี่ยคับแค้นใจว่าเกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่มั่งละยากจนบั่งละ่ะใช่ไหมจะซื้ออะไรก็ไม่เคยได้ได้ได้ได้ซื้อใช่ไหมอยู่อย่างลําบากแล้วก็ตัดพ้อทำไมถึงต้องเป็นเราทําไมเราไม่มีไม่มีกินมีใช้เหมือนคนอื่นเขานะแต่หลังจากที่ผ่านไปสิบยีปีเนี่ยเขามองย้อนกลับไปเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกก็าทราบซึง เพราะถ้าเขาไม่อยากจนเนี่ยเขาก็จะไม่เข้มแข็งถ้าเขาไม่อยากจนเขาก็พึ่งเขาไม่จับพึ่งตัวเองนี่เขาอยาักพึ่งเองไอ้เพื่อนที่มีกินมีใช้มีอะไรทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดเล่าไงติดการพ น, นันไ่ไหมเขาถือว่าโหนชีวิตเขาดีขึ้นมานด้เนี่ยเพราะว่าเขามีประสบการณ์ที่ลําบากคือเนี่ยคือประสบการณ์ของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยนะมันมีอะไรมากมายที่ ดีประโยชน์คอยเรามองกลับไปใหม่แต่ถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของมันใช่ไหมนั่นตมาก็อยากจะให้คน เ, นเวลาตมาเวลาสอนธรรมะนี่ก็อยากจะให้เตือนให้คนให้กลับมาคุณไม่ต้องเรียนธรรมะอย่างไหรอกคุณเรียนธรรมะจากประสบการณ์ของคุณนะ่ะแล้วคุณก็จะรู้เรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตรู้ว่าชื่อ น, นี่มันมีขึ้นมีลงใช่ไหมรู้ว่าความสูญที่ใจใ ช, ใช่ไหมคุณกาย ก็อยากจะให้ให้ให้วิธีมองเขาใช่มมากกว่าให้เขามากกว่ า, ใ ห, า, า, วาให้เขาจดจำธรรมะเป็นข้อๆแล้วเขาเอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยแต่ถ้าเขามีวิธีการมองเนี่ยนะ<า>เขาผ่านอะไร<า>เขาเจออะไร<า>เขาดูรายการข่าวโซนิสต์เขาก็ได้ธรรมะ่ไมถ้าเขามองเป็นนะซึ่งก็ ซึ่งการมอแบบนี้เนี่ยมันคุณไม่ได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมเขาจะเขาจะทำให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นประสบการณ์กระบวนการทั้งชีวิตคือเราพูดว่าการศึกษานี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ให้เครื่องมือการเรียนรู้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถจะเรียนรู้ ตลอดชีวิตได้เลยแล้วยิง่งถ้าเขาคิดว่าการเรียนรู้ต้องเข้าห้องเรีย น, นยาาใช่ไหมใช่หลายคนคิดว่าเอาจบไปอย่างอื่แล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ใช่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้จักการที่ไปเข้าคอร์สไปอัปเกรดความรู้อย่างเดียวแต่เรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบางคนอาจจะเรียนรู้ผ่านเด็กก็ได้ผ่านลูกก็ได้ครับบางทีลูกเนี่ยสอนทำให้การเรื่องกับเราได้ใช่ไหม แม้กระทั่งแขนขาเนี่ยน่สอนเราได้นะมีผู้ชายนหนึ่งจะเป็นช่างนะไฟช็อตไฟช็อตนะตัดขาสองข้าง น, งนะที่การตอลอดชีวิตนะโอ้โหไม่ไม่นานต่อมาเมียก็ทิ้งที่การแล้วเมียทิ้งนะมีคนถามว่ารู้สึกยังไงนะที่เมียทิ้ง แกก็ตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าคุณคิดดูได้ไม่ไม่ต้องขาบุญนาถันเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยมีอะไรอยู่กับผมได้ไงเนขาสอนทำไงใช่ไหมขาสอนเท่าเนี่ยขาขาบุญนาถันมันยังไม่อยู่กับผมเลยใช่ไหมแทนที่บอกโอ้ทาไมเป็นกูทําไมต้องเป็นทำไมกูซวยอย่างนี้นะเสียขาต้องเสียเงียบอีกนะคิดแบบนี้เนี่ยมันจบแล้วแต่บอกเออเสียขามันสอนเราว่า ไม่มีอะไรี่เป็นของเราเลยไงใช่ไหมหรือถ้าเราเรียนธรรมะแบบนี้ถ้าเรามีมุมมองแบบนี้นะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดใ่หมมองออกหลือยอะไรเต็มเครื่องมือของการเรียนรู<ๆ>้อะไร<ๆ>แล้วพลิกกลับพลิกกับอ<ๆ>ีกนิดเดียก็คือคาที่เราสถานเลยอะ่ะ วิชาชีตมันเป็นวิชาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสนคันที่ที่พระอาจารย์จะลังบอกพวกเราก็คือว่าเครื่องมือของกันเลยก็คือวิธีคิดของพวกเราเองใช่จากวิธีคิดเนี่ยพอวิธีคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งสิ่งสิงที่จะเป็นภาษาธรรมคือมีปรัสนามีปรัสนามันมันเป็นมันเป็น วิธีวิธีธพิจารณาครับวิปัสสนาเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องการคิดเป็นวิธีการวิธีการมองวิธีการมองก็าจะทำพิจารณาครับเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยต้องวางความคิดใช้แต่การมองหลวงปู่ดูลย์เขบอกว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่จะรู้ต้องอาศัยคิดงงไหม รู้รู้ในที่นี้มันถึงรู้เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานะรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนจะรู้แบบนี้เนี่ยต้องไม่คิดต้องหยุดคิดแต่ว่าให้มองมองความจริงของกายและใจมองไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมองของจริงความจริงก็จะปรากฏเดี๋ยม่เวลาพี่ปัศนาเนี่ยให้หยุดคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฝรั่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นประะัญาคเท่าไหรก็เข้าใจเรื่องอนัตตาใช่ไหม เปัญญาเนี่ยคิดยังไงเนี่ยมันไปไม่ถึงอนัตตามันไปได้แค่อนิจจังทุกขงังใช่ไหมแต่หลว ง, งปู่ดูว่าต้องอหยุดคิดถึงจะรู้แต่จะรู้ต้องอาศัยคิดหมายถึงว่าต้องมีการต้องมีต้องมีความคิดเป็นมูลบ้างเป็นเป็นเชื้อบ้างเช่นเออได้ได้ฟังมานะว่าอานิจจังทุกข อ, อนัตตาเนี่ยมันคือธรรมดาของของทุกสิ่งทุกอย่างพอมีเชืออ้อตรงนี้ไว้เนี่ยขอพิจารณ า, นานเนี่ย มันก็จะเกิดการปิ้งแว บ, บขึ้นมาอาการปิ้งแวบเนี่ยนะคืออาการวิปัสนาซึ่งมัะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีเชื้อเชื้อนั่นคือความคิดหรือข้อมูลอินฟอร์เมชันที่เราได้ฟังจะมาเพราะนั้นเนี่ยแต่แต่ว่าวิปัสนามานกระบวนการที่เราไม่อาศัยความคิดแต่ที่ตอนพูดมาสักครู่เนี่ยมันต้องอาศัยการคิดอยู่แล้วก็วิธีคิดแบบนี้เนี่ยทางพูดเรียกว่า โยนิโสมนสิกานโยนิโสมนสิกานเนี่ยมันเป็นคือวิธีคิดเลยนะของพุทธเลยวิธีคิดหลายวิธีคิดหลายแบบวิธีคิดในเชิงบวกมองเห็นทั้งลบและบวกเห็นโทษและคุณวิธีคิดในมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิธีคิดในเชิงอริยสัจสี่มันจะมีวิธีคิดหลายแบบซึ่งซึ่งช่วยช่วยช่วยให เราเนี่ยมีความสุขเราเกิดปัญญาไม่ที่พระคุณเจ้าบอกว่าต้องวางความคิด <c oughs> ต้องต้องวางความคิดนะคะทีนี้กําลังมองอยู่ว่าเออถ้าวางความคิดและให้มองในสภาพความเป็นจริงเนี่ยนะคะหเห็นความต่าความจริงเนี่ยเรจะเกิดปิ้งแว๊บเนี่ยกรณีของปิ้งแว๊บเนี่ยจริงๆแล้วจิตมันจะต้องนิ่งพอสมควรใช่ <c oughs> ไม่งั้นมันมันไม่ถึงแต่ปิ้งแว๊บมันมีหลายระดับนะ จิตที่สงบนิ่งอย่างอะคิมิเดสเนี่ยคนพบอยู่ไรค่าอะคิมิสเนี่ยรู้จักใช่ไหเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเาคนพบกดความโน้มกดถึงความถ่วงจาเพาะแดงไใช่เพบตอนที่เขาเนี่ยลงไปแช่น้าในอ่างน้าซึ่งมันเต็มอ่างเียพอเขาลงไปแช่น้ำใช่ไมมันก็ล้นออกมาช่วงนั้นเองในช่วงนี้อะคิมิเดสเนี่ยผ่อนคลายใจสบาย ก, ก็ปิ้งทำไมเลยนะแล้วเขาก็ตะโกนว่าอยู่ไรค่าอยู่ไรค่าแล้วเขาก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำโดยที่ยังไม่ใส่เสื้ออะไรเลยเพราะเขาค้นพบกฎแห่งความถ่วงจำเพาะว่าน้ำที่ล้นออกเนี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับสิ่งที่แทนค่าเข้าไปใช่ั้ยนิวตันค้นพบกฎแห่งความน้มถ่วงตอนนั้นแหละตอนที่อยู่ใต้แอปเปิ้ลใช่ไม้ม แล้วก็อะไรตกลงมาเนี่ยเห็นไหมก็เกิดกวาปิ๊งว่ขึ้นมามันก็ไม่ใช่เป็นความนิ่งสงบแบบแบบนักนักกรรมฐานอะไรเลยนะแต่มันเป็นช่วงที่จิตมันผ่อนคลายแล้วมันมันวางความคิดในช่วงนั้นเนี่ยจิตมันพักผ่อนจิตมันสบายมันก็จะพร้อมจะขุดอะไรขึ้นมาเรียกว่ามีสมาธิได้ไหมคะจะเรียกก็ได้แต่มาคิดว่ามันมันมันเป็นภาวะที่มันเป็นภาวะที่ที่จิตว่างนีกว่า จิตว่างนะจิตมันผ่อนคลายแล้วเมื่อจิตมันว่างเนี่ยนนมันธรรมชาติของจิตเนี่ยโดยเฉพาะมันมันปิ๊ขึ้นมามันต้อมาที่ว่าหลายคนเนี่ยเวลาการการค้นพบหลายๆอย่างเนี่ยการที่คิดอะไรได้ออกมาหลายอย่างเกิดจากการที่ใจมันสบายทำเรื่องนิพนธ์หรือว่าทํำรายงานเนี่ยบางทีมันปิ๊งออกมาเลยใช่ไหมช่วงที่จิตมันสบายตรงข้างการพยายามที่จะเข็นพยายามที่จะเข็นนี่นะไม่ได้ เดี๋ยวมาบอกนะโยเวลาเวลามีความสุขแบบนี้นะหยุดซะหยุดหยุดเค้นหยุดบีบผ่อนคลายสบายแล้วเดี๋ยวมันจะออกมานะยิ่งเค้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไม่ได้นะมันยิ่งเป๋ไปใหญ่เขียนเวลาจะเขียนบทความีานะเขียนมันเค้นหน่อยองทำใจผ่อนคลายสบายสบาย <c oughs> แต่ที่เรื่องวิปัสสนาเนี่ย ปัญญาแบบพุทธเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตเนี่ยจิตเนี่ยวางความคิดแล้วก็มาดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจเห็นเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ได้เห็นความคิดนะคะแต่เห็นตัวเองเห็นตัวเองมากกว่าว่าตัวเองยังไงมันเหมือนกับอะไรอะตัวจิตกับตัวความคิดมันแยกออกอย่างเงี้ยค่ะ แยกจันกจากก็ถูกแล้วโดยเด็ดขาดถูกแล้วอาการจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าความคิดก็ไม่ใช่เราคือถ้าเราถ้าเราดูไปถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราแต่ถ้าเราถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ถ้าเราตีเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะคิดว่าความคิดน่ยคือเราเราเป็นผู้คิดความคิดเป็นของเราแล้วทําให้เรายึดมั่นถือม่นความคิด ปิงป๊งป i n g เว p เข้าไปเนี่ยมันเหมือนบางทีก็เหมือนกับตัวเองเอ๊คิดไปเองหรือเปล่าหรือมันเห็นอะไรทไมมันจะเห็นภาพเหมือน้ายๆภาพยนตระคะเป็นซนรเป็นเป็นสกรีนิ่งที่มันมันฟบเป็นอย่างเนี้ยค่ะแต่มันเห็นมันเห็นถึงความต่อเนื่องเห็นความต่อเนื่องอย่างเี้ยเห็นความต่อื่องแสดงว่าเราเราเข้าไปในความคิดแล้วเราเข้าไปแล้ว ถ้าเห็นนะมันจะมันจะใ้หดูเห็นแล้วมันจะมันจะดับมันจะหายไปแต่ถ้าเห็นแล้วมันเป็นไปเรื่อยไปเรื่อยแสดงว่าเราเข้าไปในความคิดแล้วค่ะสักพักหนึ่งก็คือเราเราหยุดเราก็ไม่ได้ก็แค่รู้ว่าเออเราเห็นนะก็เห็นก็เห็นเพราะหลังจากนั้นมันก็จะบอกว่ายังไงมันเหมือนมันเหมือนลูกขาที่มันมันตกอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็แบบไม่รู้ไปไหนอะค่ะ ประมนันออไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไปไหนหลังจากนั้นเนี่ยพอกี่ครั้งที่เราทําเนี่ยมันก็จะเหมือนอยู่อยู่ประมาณเนี้ยคือคือรู้สึกเอ้ยเราน่าจะพ้นจากตรงนี้ได้แล้วมั้งมันคงคงยิง่งถ้าเราเจริญสติทางรูงสึกตัวนั้นมันจะไม่มันพอบแบบนั้นจะไม่ไม่เกิดนะถึงเกิดแล้วก็จะหลุดออกมาได้เร็วก็ก็รู้นะคะว่าว่าอยู่ในนั้นก็รู้ว่าอยู่อยู่ ก็เห็นว่าอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงไม่ออกต้องสร้างขวาสึกตัวให้มากขึ้นสติของสึกตัวนี่มันมันเป็นฟาแฝดกันเพราะฉะนั้นต้องต้องพยายามที่บอกว่ามันแยกออกมาแล้วเนี่ยคือเราพยายามที่จะทําให้มันมันเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะจริงจริงเนี่ยถ้าเราเจริญสติดีเราจะรู้ว่าในขณะที่เราเจริญสติเราจะอยู่กับกายเราจะมีกายเป็นฐานลมหายใจหรือการเคลื่อนไหว ใจมันจะไปไหนก็ตามสุดท้ายต้องกลับมาที่กายถ้าไม่ทำถาถ้าไม่มีกายเป็นฐานหรือไม่มีกายเป็นนิมิตเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปเรื่อยจะต้องกลับมาที่กายกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ที่มือที่กาลังเคลื่อนเท้ากาลังเดินนะไม่งั้นเนี่ยก็จะไปถูกดูเข้าไปในหลุมดำแห่งอารมณ์ความรู้สึกการเดี๋มันต้องมีกายเป็นฐานนะ มีอะไรมนะมีไหเราเราเห็นอะไรเยอะนะเราได้อะไรเยอะแล้วนะล้วสิ่งสงคัญที่สุดพอาจารย์เตือนติกแล้วนะว่าอย่าเข้มใช่ไมต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทเต็มที่แต่อย่าซีเรียสอันนี้บอกบอกอาจารย์บอกอาจารย์นบอกที่สเครียดบอกอาจารย์ผู้สอน่ะาเข้มอย่าเข้มมาเอง มูแมลงเหมนกนร่งก่ไข่ไข่ไข่ดข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไเ่ไข่ไข่ไข่ไข่ไเเไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไี่ไข่ไข่ไขาไข่ไข่ไเพราะไ่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ไข่่ไข่ไข่ไข่ไข่บข่่ไ่ไ่่ ได้เป็นจุดที่ต้องเป็นผู้นำทางสังนะคะเพราะว่าผู้นำในสมัยนี้เราก็จะเห็นอยู่นะคะว่าอาจจะคร่องในเรื่องของยุทธวิธีทางวัฒนธรรมกาสอนสั่งอาจารย์พุธานมบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์นะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะนำระดับไหนเนี่ยก็ต้องมีภาระความรับผิดชอบ อ่าเจริญพรกับคุณมากนะอ่าเจริญพรกับคุณมาก<ะ>นั้นทำไงเราจะมีความรับผิดชอบหนึ่งเราต้องพยายามมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นหรือว่าต้องใส่ใจความรับผิดชอบที่เรามีเสื้อคือการทําเพื่อผู้อื่นแต่ว่าก็อย่าลืมเรื่องความสงบเย็นในใจเพราะว่าถ้าเรา ทำแต่ประโยชน์กับผู้อื่นแต่เราเครียดเรานอนไม่หลับใช่ไหมเราปล่อยให้ความโกรธเผาผานใจเราก็แย่หรือปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงําใจเราก็เสียผู้เสียคนไดง่ายและสิ่งที่คนทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยตั้งใจดีต่อส่วนรวมไม่ว่าหรือแม้กระทั่งตั้งใจดีต่อต่อครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ว่าไม่รู้จักทำความสงบเย็นให้เกิดขึ้นใ น, ในใจิตใจเป็นพ่อแม่ก็เครียดเรื่องลูกแม่จะเสียสละเพื่อลูกไงก็เครียดตนกระทั่งบางทีรู้บอกกุ้มใจใช่เป็นผู้ปกครองก็เครียดนะกาดเกลียวบางทีก็ระแวงใช่หหรือหนักกวนั้นคือว่า พ่ายแพ้ต่อโลกธรรมก็คอร์รัปชันทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานรรยาการที่ละเลยเรื่องความสงบเย็นในจิตใจนะเรฉะนั้นถ้าเราทำให้ใจเรสงบเย็นเราก็าจะมีกำลังในการทำประโยชน์กับผู้อื่นเราก็จะมั่นคงในการทำประโยชน์กับผู้อื่นไม่ไม่ผิดทางไม่ขายตัวไม่ถูก โลกธรรมครอบงำนะเนี่ยจะต้องมันรู้จักทำความสงบเย็นให้เกิดจิตใจเช่นการทำสมาธิภาวนาการพบความสุขจากภายในนะถึงแม้ไม่มีารากยศสารเสริญเราก็มีความสุขเหมือนกับที่อาตรมาบอกต้นไม้ต้นไม้เ น, นี่ยไม่มีฝนตกมาเขากางเขียวได้เพราะเามีความสุข จากภายในใช่ไหมงั้นคนเราต้องหาความสุขจากภายในให้ได้ความสงบเย็นที่แท้ไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากภายในไปที่ที่สงบแต่จิตใจรุ่มร้อนก็มีแต่ตลอดพวกความสงบเยน็นในจิตใจรอบตัวจะวุ่นวายแค่ไหนเราก็สงบเย็นได้เนี่ยงั้นพยายามทําให้ได้สงบยเย็นเป็นประโยชน์ให้ได้สมดุลกันนะ แล้วเราจึงจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือว่าทำความราับผิดชอบของเราใ ห, ให้สมบูรณ์ได้